สร้างมาทำในสิ่งที่ดีที่งานที่จะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขนำมาซึ่งความจเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริงด้วยการมาทำบุญให้ทานถวายสังฆทานด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะ การฟังเทศฟังธรรมนั้นเป็นเหตุที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสุขและความเจริญเพราะการฟังเทศฟังธรรมจะทำให้เราได้รับรู้ในเรื่องที่เราไม่รู้มาก่อนเราจะมีความเห็นที่ถูกต้อง เราจะมีจิตใจที่สงบเย็นสบายถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้ว่าการดำเนินชีวิตของเราที่จะพาให้ไปสู่ความสุขความเจริญนั้นดำเนินได้อย่างไรเราก็จะทำไปตามความเชื่อ หรือความรู้ของเราที่เป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้รับความรู้ที่ถูกต้องที่เราสามารถนำเอาไปปฏิบัติและนำ เอาผลที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นได้เช่นถ้าเรากำลังจะแต่งงานกันกำลังจะมีคู่ครองจะร่วมอยู่ด้วยกันอย่างผาสุขอย่างยืนยาวนานเราก็ต้องรู้ถึงเหตุที่จะทำให้ การอยู่ชีวิตของคู่ครองนี้ยืนยาวนานและมีความสุขเช่นเดียวกับชาวนาวชาวไร่ที่ต้องศึกษาว่าวิธีใดจะทำให้ต้นไม้ของตนนั้นจเจริญงอกงามออกดอกออกผลก็ต้องทำนุบำรุงต้นไม้ด้วยสิ่งที่จะ ช่วยทำให้ต้นไม้นั้นเจริญงอกงามเช่นต้องใส่ปุ๋ยรวนดินต้องมีน้ำอย่างนี้เป็นต้นถึงจะทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามออกดอกออกผลได้การพรองชีวิตร่วมกันของคนสองคนนั้นก็เช่นเดียวกันมีทั้งเหตุที่จะทำให้ อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่กันได้อย่างยืนยาวนานและมีทั้งเหตุที่จะทำให้อยู่กันไม่ยืดยาวนานอยู่กันแล้วมีแต่ความทุกข์ <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ผู้ที่ปรารถนาการอยู่ร่วมกันอย่างยืนยาว น, น, นั้นนั้นต้องมี คุณธรรมอยู่4ประการด้วยกันคือ 1. การเสียสละ 2. ความซื่อสัตย์ 3. ความอดทนและ 4. ความอดกลั้นนี่คือคุณธรรมที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการครองชีวิตครู ถ้าอยากจะอยู่ร่วมกันไปดานานก็ต้องมั่นเจริญคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ไว้อยู่เสมอข้อแรกที่ทรงสอนให้เสียสละก็คือไม่ให้มีความเห็นแก่ตัวเพราะเมื่อเราอยู่ร่วมกันสองคนแล้วเราก็ต้องเป็นอวัยวะอันเดียวกันเราจะคิดแต่ส่วน ความต้องการของเราอย่างเดียวไม่ได้เราต้องคิดถึงคู่ครองของเราด้วยเวลาเราจะทำอะไรก็ต้องปรึกษากันคุยกันทำความเข้าใจกันแล้วหาข้อสรุปที่ทั้งสองฝ่ายรับกันได้ถ้าต่างฝ่ายต่างอยากจะทำอะไรตามความต้องการของตน โดยไม่คำนึงถึงความต้องการของผู้อื่นของคู่ครองแล้วเดี๋ยวก็จะมีปัญหาตามมาเพราะว่าตามคนต่าง ม, มีจระเนิสัยที่ไม่เหมือนกันและมีอารมณ์ที่ต่างกันคนหนึ่งอาจจะอารมณ์ดีอีกคนหนึ่งอาจจะอารมณ์ไม่ดีคนหนึ่งอาจจะอยากออกไปข้างนอก อีกคนหนึ่งอาจจะอยากจะอยู่ในบ้านอย่างนี้ต้องทำความเข้าใจกันต้องพูดกันบางสิ่งบางอยา่างก็ต้องยอมกันเช่นคนหนึ่งมีความจำเป็นต้องออกไปนอกบ้านแต่คนหนึ่งไม่อยากจะออกไปก็ต้องให้คนที่เขามีความจำเป็นออกไปคนที่ออกไปก็ต้องให้คนที่เขาอยากจะอยู่ในบ้านนั้น ให้เขาอยู่ในบ้านไปอย่าบังคับใจกันถ้าบังคับใจกันแล้วก็จะเกิดความไม่พอใจนี่คือความหมายของการเสียสละคือเราอย่าเอาแต่ใจของเราทำอะไรนั้นต้องทำแล้วได้รับความเห็นชอบด้วยกันทั้งสองฝ่ายถ้าต่างฝ่าย ต่างมีการเสียสละกันจะไม่เป็นปัญหายากเย็นอะไรแต่ถ้าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันต่างฝ่ายต่างจะเอาใจของตนจะเอาแพ้เอาชนะกันอย่างนั้นก็จะอยู่กันอย่างยากเย็นอยู่กันอย่างลำบากขอให้เรานึกถึงวันที่เราพบกันใหม่ๆตอนนั้นเรายินดีเสียสละทุกอย่าง ให้ยืนตากแดดตากฝนให้ตื่นแต่ตีสามตีสให้ทำอะไรก็ทำได้หมดเพราะตอนนั้นเรามีความเสียสละเรามีความรักเรามีความปรารถนาดีต่อคู่ครองของเราถ้าเราสามารถรักษาคุณธรรมข้อนี้ได้ก็จะช่วยให้การอยู่ร่วมกันนั้นเป็นไปได้อย่าง มีความสุขและจะอยู่กันได้อย่างยืนยาวนานแต่ก็ยังต้องมีข้ออื่นตามมาด้วยคือความซื่อสัตย์สามีภรรยานี้ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันต้องไว้ใจกันต้องเชื่อใจกันและต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันถ้าไม่ไม่เช่นนั้นแล้วจะเกิดความระแวงเกิดความวิตกกังวล เราจะเกิดความไม่เชื่อใจกันเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะอยู่กันอย่างหวาดระแวงสงสัยอยู่เรื่อยๆว่าเวลาที่เราไปทางหนึ่งเขาไปทางหนึ่งเขากำลังไปทำอะไรอยู่แต่ถ้าทั้งคู่มีความซื่อสัตย์ต่อกันเช่นมีศีลข้อที่สาม คือการละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีไม่นอกใจกันไม่เห็นใครที่มีคุณค่ามีความสำคัญมากยิ่งเท่ากับคู่ครองของตนถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะรักษาความซื่อสัตย์ไว้ได้แล้วก็จะรักษาความไว้เนื้อเชื่อใจของกันและกันได้ถึงแม้จะอยู่ต่างที่กัน ก็จะไม่กังวลไม่วิตกไม่สงสัยถึงแม้จะมีใครมาเล่ามาพูดอะไรให้ฟังก็จะไม่สนใจเพราะเชื่อในความซื่อสัตย์ของกันรักกันถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไปทำอะไรที่ทำให้เกิดความสงสัยขึ้นมาคือ มีความไม่ซื่อสัตย์แล้วก็จะเป็นรอยแตกรล้าของครอบครัวแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ถ้าต่างฝ่ายต่างมีความอดทนอดกลั้นมีความเมตตาคือมีการให้อภัยต่อกันเช่นมองโลกในแง่ดี คิดเสียว่าเป็นการผิดพลาดกันได้นักปราชญ์ยอมรู้พลัง้งสี่เท้ายอมรู้พลาดแล้วปุตุชนธรรมดาอย่างเราอย่างท่านจะมาจะไม่ผิดพลาดได้อย่างไรถ้าเราให้อภัยกันได้ก็ยังสามารถที่จะอยู่กันได้ต่อไปนอกจากเสียว่า ทำเป็นนิสยัยทำเป็นทำบ่อยๆถ้าอย่างนี้ก็อาจจะต้องมีการพูดคุยกันทำความเข้าใจกันถ้ายัางไม่สามารถรักษาสัญญาที่จะอยู่ร่วมกันอย่างซื่อสัตย์สุจริตได้ก็อาจจะต้องคิดว่าเป็นกรรมของของตนที่ อาจจะต้องแยกทางกันเพราะถ้าอยู่ร่วมกันแล้วไม่มีความสุขมีแต่ความเกลียดชังกันไม่มีความเมตตาต่อกันอยู่กันไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากมีผลประโยชน์อย่างอื่นที่จำเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมกันก็คิดเสียว่าเป็นเหมือนร่วมทำงาน ในบริษัทร่วมลงทุนทากิจการกันก็แล้วกันเพื่อผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งน <Yeah. S 1> แล้วถ้าเราอยากจะอยู่กันให้มันยืดยาวนานนอกจากการเสียสละจากการซื่อสัตว์แล้วก็ยังต้องมีความอดทนด้วยเพราะชีวิตของเรานั้นมันไม่แน่ไม่นอน มีสุขมีสบายมีทุกข์มียากมีลำบากเวลาสุขนั้นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่เวลาทุกข์มีปัญหาเช่นขาดเงินขาดทองก็ต้องมีความอดทนกันต้องประหยัดต้องยอมลดค่าใช้จ่ายต้องยอมอยู่บ้านมากกว่าออกไปข้างนอกอย่างนี้ถ้าไม่มีความอดทน ก็จะทําไม่ได้ก็จะมีปัญหาตามมาและอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะมีก็คือความอดกลั้นคืออารมณ์ของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆบางเวลาก็อารมณ์ดีบางเวลาก็มีอารมณ์ไม่ดีเราต้องรู้จักอดกลั้นอารมณ์ของเรา อย่าปล่อยให้เวลาที่มีอารมณ์ไม่ดีนั้นระบายออกไปด้วยวาจารหรือด้วยการกระทำที่ไม่ดีจะทำให้คู่ครองของเราเสียความรู้สึกต้องพยายามควบคุมใจด้วยสติอยู่เสมอพิจารณาให้เห็นว่าอารมณ์ต่างๆนั้นเป็นเพียงอาการตุกะคือเป็นเพียงผู้มาเยือน แล้วเดี๋ยวเขาก็ไปเขาไม่ได้เป็นสิ่งที่จีรังถาวรอย่างไรเป็นเหมือนเมฆที่ลอยไปลอยมาในท้องฟ้าเวลามีเมฆมามากๆก็จะมาปิดบังดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ทำให้มืดไม่มีแสงสว่างได้อารมณ์ที่ไม่ดีเช่นอารมณ์ขุนมัวต่างๆก็เป็นเหมือนกับเมฆที่ลอยเข้ามา กบจิตใจของเราทำให้เรามีความเศร้าหมองมีอารมณ์ไม่ดีในขณะนั้นท่านสอนให้เราพยายามควบคุมการกระทําทางกายและวาจาถ้าจำเป็นจะต้องพูดก็ต้องมีสติพูดให้น้อยพูดด้วยความระมัดระวังถ้าต้องทำอะไรก็ขอให้ทําด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกัน พยายามรักษาความเป็นปกติไว้คอยพูดดีอย่างไรก็พยายามพูดดีอย่างนั้นคอยทำดีอย่างไรก็พยายามทำดีอย่างนั้นอย่าให้อารมณ์ที่ไม่ดีนี้มาเป็นตัวบงการให้ไปพูดไม่ดีให้ไปทำไม่ดีเพราะจะต้องมาเสียใจในภายหลัง เพราะว่าไม่มีเจตนาที่อยากจะทำอย่างนั้นและไม่มีเจตนาที่อยากจะให้ผลที่ไม่ดีนั้นเกิดขึ้นตามมาแต่เราต้องคานึงถึงเหตุอยู่เสมอไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเหตุนี้เป็นตัวสาคัญที่สุดเหตุของเราก็คือความการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจ คือความคิดที่เกิดจากอารมณ์ต่างๆถ้ามีอารมณ์ดีเราก็จะคิดดีพูดดีทำดีถ้ามีอารมณ์ไม่ดีเราก็จะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีพระพุทธเจ้าจึงสรงสอนให้เราคอยดูอารมณ์ของเราอยู่เสมอแล้วก็อย่าไปถือสากับอารมณ์นั้นเพราะต้องถือว่ามันเป็น ปกติของใจของปุถุชนที่ยังมีวิบากกรรมอารมณ์ต่างๆนี้เป็นผลจากกรรมที่เคยทํามาในอดีตทําให้มีอารมณ์ดีบ้างมีอารมณ์ไม่ดีบ้างข้อสําคัญถ้าเรามีสติมีปัญญาเราจะสามารถดูแลอารมณ์เหล่านี้ไ ด, าาด้สามารถควบคุมความคิดสามารถควบคุม การกระทำการพูดของเราให้อยู่ในปกติได้ดังนั้นเราจึงต้องพยายามเจริญสติอยู่เสมอพยายามเฝ้าดูใจของเราอยู่เรื่อยๆถ้าเรามีอารมณ์ไม่ดีเราก็ใช้ปัญญาเข้ามาพิจารณาว่าอารมณ์นี้เป็นอันิจังไม่เที่ยงเมื่อก่อนนี้เขาก็ไม่ได้มาเขาเพิ่งมาเมื่อกี้นี้เอง แล้วเขาก็ไม่อยู่กับเราไปตลอดเดี๋ยวเขาก็ผ่านไปถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาแล้วเขาจะไม่มาเป็นปัญหากับเราแต่ถ้าเราไปอยากให้เขาหายไปอยากจะให้มันสบายใจในทันทีทันใดเราอาจจะต้องไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเช่นบางคนมีอารมณ์ไม่ดีก็ไปหาสุรามาดื่มเพื่อมาระ ง, งับอารมณ์ อย่างนี้ไม่ใช่เป็นวิธีระงรับอารมณ์ที่ถูกต้องวิธีที่ระงรับอารมณ์นั้นต้องระงรับด้วยสติด้วยปัญญาเพียงแต่รู้ทันแล้วปล่อยวางเท่านั้นเดี๋ยวอารมณ์นั้นก็ผ่านไปหมดไปถ้าเราไปแก้ในวิธีที่ไม่ถูกเช่นไปสื่อไปดื่มสุราหรือไปทําอะไรต่างๆมันไม่ได้ไปแก้ปัญหา แต่กลับจะสร้างปัญหาให้มีเพิ่มมากขึ้นไปดังนั้นวิธีที่จะมีความอดกลั้นได้ก็ต้องมีทั้งสติและมีทั้งปัญญา<ม>การที่จะมีสติได้นั้นเราก็ต้องเจริญอยู่เรื่อยๆสตินี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับจิตใจพอๆกับลมหายใจเข้าออกที่มีความสัมพันธ์ต่อร่างกาย ถ้าร่างกายขาดลมหายใจร่างกายก็อยู่ไม่ได้ถ้าใจขาดสติก็จะเป็นคนวิกลจริตไปที่เรียกว่าคนเสียสติหรือถ้าหมดสติก็เป็นคนสลบสลายไปเราจึงต้องประครับประคองใจด้วยสติอยู่เสมอวิธีที่จะมีสตินั้นท่านสอนให้เราดึงใจไว้ให้อยู่กับ ตัวเราคือให้อยู่กับขณะนี้ให้อยู่กับที่นี่เช่นตอนนี้เราอยู่ตรงนี้พยายามดึงใจของเราให้อยู่ที่นี่อย่าไปคิดถึงเรื่องที่อยู่ที่บ้านอย่าไปคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อวานนี้หรือเรื่องที่จะเกิดขึ้นในวันรุ่งขึ้นนอกจากถ้ามีความจำเป็นต้องคิดก็ขอให้คิดด้วยสติคิดด้วยเหตุด้วยผล เช่นเรามีความจําเป็นจะต้องไปทำงานทำการเราก็คิดเตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนเมื่อคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็หยุดคิดนึ่งจิตให้เข้ามารับรู้อยู่กับเหตุการณ์ในปัจจุบันเช่นในขณะนี้เรากำลังฟังเทศฟังธรรมก็ให้อยู่กับการฟังเทศฟังธรรมอย่าไปอยู่กับเรื่องอื่นเพราะเราจะไม่ได้รับประโยชน์ จากการฟังเทศฟังธรรมหรือถ้าเราไม่อยู่กับเหตุการณ์ที่เรากําลังทําอยู่เวลาเกิดมีอะไรกระทำหันเราจะแก้ไขไม่ทันเช่นในขณะที่ขับรถยนต์เราก็ต้องมีสติอยู่กับการขับรถยนต์ให้รู้อยู่กับการขับรถยนต์ให้รู้กับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นและกําลังจะเกิดขึ้นถ้าเรารู้อย่างนี้พอมีอะไรเกิดขึ้นกระทำหัน เราจะมีเวลาทันที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างน้อยก็ทําให้หนักเป็นเบาได้ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ์นั้นได้นี่คือความหมายของการมีสติเราควรเจริญอยู่ทุกขณะถ้าเราไม่รู้ว่าจะเอาใจไว้อยู่กับปัจจุบันได้อย่างไรท่านก็สอนให้เราสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้ ให้ใจเรามีสติอยู่การสวดมนต์ถ้าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปรับรู้กับเรื่องอะไรเช่นนั่งอยู่เฉยๆขับนั่งรถไปอีกคนนึงขับอีกคนนึงนั่งคนขับก็ปล่อยให้เขามีสติอยู่การขับคนนั่งก็อย่าไปรบกวนสติของคนขับด้วยการชวนเขาคุยเรื่องนั้นคุยเรื่องนี้คนนั่งก็ควรที่จะ เอาใจผูกไว้กับบทสวดมนต์ก็ได้หรือบทพุทโธพุทโธก็ได้นั่งบริกรรมพุทโธพุทโธไปได้เรื่อยหรือสวดมนต์ไปภายในใจเรื่อยแล้วใจจะเย็นใจจะมีความสุขคนขับรถก็สบายใจไม่ต้องมากังวลรับรู้เรื่องราวจากคนที่นั่งอยู่ข้างๆก็จะสามารถขับรถได้อย่างปลอดภัย นี่คือวิธีการรักษาใจต้องมีสติและต้องรู้จักหยุดใจด้วยคือนอกจากเฝ้าดูใจแล้วเวลาที่ใจกำลังจะคิดไปในเรื่องที่ไม่ดีก็ควรที่จะดึงกลับมาอย่าปล่อยให้คิดเพราะความคิดเล็กๆ น, น้อยๆนี้จะเป็นเหมือนกับไฟที่เริ่มจุด ถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวไฟมันจะขยายลามลุกออกไปกลายเป็นไฟใหญ่โตได้เช่นถ้าเรามีความคิดที่ไม่ดีต่อคู่ครองของเราเพราะว่าเขาอาจจะพูดไม่ดีหรือทำไม่ดีเราควรที่จะดับความคิดนั้นเสียคิดเสียว่าการทำร้ายคู่ครองของเราก็เหมือนกับทำร้ายตัวเราเองเพราะเรากับเขานี้เป็นอวัยวะอันเดียวกัน เป็นที่พึ่งของกันและกันถ้าเราทำร้ายเขาเราก็เท่ากับทำร้ายตัวเราเองถ้าเรามีสติคิดอย่างนี้ได้เราก็จะระงับดับความคิดนั้นเพราะความคิดนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเหมือนกันมันเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไปวันๆหนึ่งเราคิดเรื่องต่างๆมากมายแต่เราไม่ได้เอาความคิดนั้นไปพูดหรือไปทำอย่างไรมันก็ไม่ มีผลเสียหายหรือผลดีตามมาแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาคอยการกรองความคิดของเราถ้าเป็นความคิดที่ดีเราก็ปล่อยมันออกไปมันก็จะส่งให้เกิดผลดีขึ้นมาเช่นวันนี้เราคิดว่าจะมาวาดัดมาทาบุญมาฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็ปล่อยความคิดนี้ให้มาเป็นการกระทม เราก็ได้มาที่วัดได้มาทำบุญได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมทาให้เราได้เกิดปัญญาขึ้นมาทำให้เรามีที่พึ่งทางด้านจิตใจขึ้นมาได้นี่คือการดูความคิดของเราต้องกรองด้วยปัญญาปัญญาคือต้องรู้ว่าผิดหรือถูกดีหรือชั่วหรือคิดง่ายๆก็รล้วกันว่า ไม่ว่าการการะทำอันใดก็ตามถ้าทำแล้วเกิดแต่เกิดประโยชน์ไม่มีโทษกับตัวเราก็ดีกับผู้อื่นก็ดีหรือทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่นก็ดีอย่างนี้ถือว่าเป็นความคิดที่ดีทำได้เลยพูดได้เลยแต่ความคิดที่คิดไปแล้วพูดไปแล้วทาไปแล้วจะทำให้เกิดโทษไม่เกิดประโยชน์ กับตัวเราก็ดีกับผู้อื่นก็ดีหรือทั้งกับผู้อื่นและตัวเราก็ดีเราก็ต้องระงับความคิดนั้นเช่นเวลาเราเกิดความโกรธเราอยากจะไปพูดด่าว่าผู้อื่นหรือไปทําร้ายผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าเป็นการพูดที่ไม่ดีเป็นการกระทำที่ไม่ดีเพราะจะเกิดโทษตามมาจะเกิดการทะเลาะเบาแวง เกิดการทุกตีกันตามมาผลเสียหายจะเกิดขึ้นแต่ถ้าคิดจะทำบุญให้ทางให้ความอภัยให้การอภัยเช่นเวลาเราโกรธใครแล้วเราให้อภัยเขาคิดเสียว่าเป็นการผิดพลาดของคนเป็นเรื่องธรรมดาคนเราย่อมพูดอะไรทำอะไรไปโดยที่ไม่ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตาม แล้วเกิดความเสียหายขึ้นมาแต่คนที่ได้รับความเสียหายนั้นถ้ามีสติมีปัญญาแทนที่จะคิดโกรธก็คิดให้อภัยคิดเสียว่าเป็นการใช้หนี้เก่าไปหรือคิดเสียว่าเป็นการทำบุญให้ทานกันไปอย่างนี้ก็จะทำให้ใจสงบใจเย็นใจสบายแล้วก็จะไม่ไปพูดไปทำอะไร ที่จะทำให้เกิดความเสียหายตามมานี่คือเรื่องของการอดกลัน้นจะอดกลั้นเฉยๆด้วยการบังคับใจไม่ได้เพราะใจนี้มีแรงมากกว่ากำลังของเราที่จะยับยั้งได้แต่ถ้าเรามีธรรมะเช่นมีสติมีปัญญาเราจะสามารถที่จะยับยั้งได้หรือถ้าเรามีสมาธิได้ก็จะยิ่งดี การสมาธิก็คือการหยุดใจนั่นเองทำใจให้หยุดนิ่งอยู่เฉยๆไม่คิดไม่ทาอะไรวิธีที่จะทําก็เช่นเดียวกับการเจริญสติให้เจริญอยู่กับพุทโธพุทโธแล้วอยู่กับบทสวดมนต์ไปเรื่อยๆอย่าไปคิดเรื่องอื่นเวลาจะคิดเรื่องอะไรก็ดึงกลับมาที่พุทโธพุทโธมาที่บทสวดมนต์ สวดไปเรื่อยๆพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วไม่นานใจก็จะหยุดใจจะนิ่งพอจะหยุดนิ่งแล้วก็เหมือนกับรถยนต์ที่จอดจะนิ่งสนิท ต, ตอนนั้นคนขับก็สบายจะหลับจะนอนจะคุยกับใครจะกินอะไรจะทาอะไรก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะตอนนั้นรถไม่วิ่งแล้วไม่เป็นภัยกับใครทำนั้นใจของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์เหมือนกัน เราควรที่จะรู้จักวิธีหยุดใจของเราบ้างอย่าปล่อยให้มันไหลไปตามกระแสอารมณ์ต่างๆถ้าเรามีสติพอเรารู้ว่าใจกำลังไปในทางที่ไม่ดีแล้วเรามีสมาธิเราเคยหยุดใจของเราได้เราเพียงแต่บอกให้มันหยุดมันก็หยุดแล้วบอกว่าคิดเรื่องนี้ไม่ดีมันก็ไม่คิดแล้วถ้าเรามีสมาธิ ดังนั้นการที่เราจะสามารถควบคุมอารมณ์ของเราควบคุมการดำเนินชีวิตของเราให้อยู่ในธรรมนองครองธรรมที่จะพาให้เราไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขได้นั้นต้องมีการหยุดใจต้องมีการฝึกสมาธิต้องมีการเจริญสติและต้องมีการเจริญปัญญาอยู่เสมอ เพราะเราอยู่ในโลกที่ไม่ได้เป็นไปตามความปรารถนาของเราใจของเรานั้นอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีเป็นหมดอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความต้องการของเราแต่ความจริงของโลกนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นโลกนี้เป็นโลกที่มีการเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแม้แต่พระอาทิตย์ก็มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาวัน เวลาจึงผ่านไปเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาจากเช้าสู่กลางวันสู่บ่ายสู่เย็นสู่กลางคืนมันเลื่อนไปเรื่อยๆ เ, เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆบางอย่างก็ดีบางอย่างก็ไม่ดีเราต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าไม่เป็นไรจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้เพราะเราบังคับมันไม่ได้ แต่สิ่งที่เราบังคับได้ก็คือใจของเราถ้าเราควบคุมใจของเราให้นิ่งให้เย็นให้สบายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะไม่มารบกวนจิตใจจะไม่ทำให้จิตใจของเราต้องว้าวุ่นขุ่นมัวเศร้าโศกเสียใจนี่คือสิ่งที่เรารักษาได้แต่สิ่งอื่นเรารักษาไม่ได้เช่นสมบัติเข้าของเงินทอง วัตถุต่างๆบุคคลต่างๆเราไปควบคุมบังคับให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้เสมอไปบางเวลาก็ดูแลรักษาได้บางเวลาถึงเวลาที่เขาจะจากเราไปเขาก็ไปอย่างนั้นไปอย่างดื่อๆอย่างนั้นแต่ถ้าเรามีปัญญาสอนใจอยู่เสมอว่าเราอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ข้ามกลางของการไปของการมาอยู่เสมอเราอย่าไปยึดอย่าไปติดกับทั้งสิ่งต่างๆกับเหตุการณ์ต่างๆพยายามทำใจให้รับกับสิ่งต่างๆให้ได้เพราะใจของเรานี้รับได้กับทุกสิ่งทุกอย่างใจของเรานีจะไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจได้ไม่ว่าจะเสียอะไรไป หรือได้อะไรที่ไม่ชอบมาก็จะไม่รู้สึกกหงุดหงิดใจถ้ารู้จักทําใจมีปัญญาคอยสอนใจให้อยู่เฉยๆให้เป็นอุเบกขาให้วางเฉยและการที่จะวางเฉยได้ก็ต้องอาศัยการเจริญสติและการเจริญสมาธินั่นเองนี่คือคุณธรรมสี่ประการที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ให้พวกเราเจริญกันอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรืออยู่เป็นคู่ก็ต้องมีคุณธรรมเหล่านี้เช่นเดียวกันเพราะถึงแม้จะอยู่คนเดียวก็ยังต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่นยังต้องอยู่ในสังคมก็ต้องมีมีการที่จะต้องเจอคนนั้นเคารคนนี้พบคนนั้นพบคนนี้มีการสัมผัสสัมพันธ์กัน ก็ต้องอาศัยคุณธรรมทั้งสประการนี้คือการเสียสละความซื่อสัตย์ความอดทนและความอดกลัน้นไว้เป็นเป็นสิ่งที่จะคอยดูแลให้เราดาเนินชีวิตไปในวิถีทางที่ถูกต้องและดีงามเสมอจึงขอฝากเรื่องของการเจริญคุณธรรมทั้งสประการนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิพจารณา และปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธถาษรมสงฆ์และบุตรกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันกในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ ด้วยอายุวันนัสุขะพละโดยทั่วหน้ากันเธอ